อุปปาตสันติคาถาบทสวดสงบเหตุร้ายการสวดพระคาถาอุปปาตสันติหากจะได้ผลจริงต้องสวดด้วยความมีสติและเข้าใจความหมายครบถ้วนรวมทั้งผู้สวดต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นเบื้องต้นด้วยนะครับก่อนสวดบทอุปปาตสันติหรือสวดมนบทอื่นๆทุกครั้งต้องเริ่มต้นด้วยการกราบพระ และสวดบทนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับคือบทนโมสมจบและบทอิติปิโสสบทเฉพาะบทนำจะสวดบาลีและแปลเป็นไทยซึ่งเป็นบทหลักที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสามารถใช้เฉพาะบทนำคือบทนโมและอิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ประจําวันได้เลยนะครับ